วันนี้ก็มีผู้บวชทีเพิ่มเข้าไปสามคนมบวชทีนี่ก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันสินแปดข้อนั้นมันเป็นสินสำหรับ ผู้ที่ห่างไกลจากกรรมคุณเพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้ไว้ว่าข้อห้ามทั้งแปดข้อนั้นมีอย่างไรบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดเพราะฉะนั้นจึงจะชี้แจงเรื่องสินแปดให้ฟัง สินแปดนั่นก็ <c oughs> มีสินห้าเป็นหลักแล้วก็เพิ่มเข้าอีกสามข้อตอนปลายนั้นก็เลยเป็นแปดนี่แหละข้อที่หนึ่งนี่ก็คงรู้กันนะปานาติบาทนท ง, ทงบัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเล็กก็ดีตัวใหญ่ก็ดี และไม่ใช้ผู้อื่นฆ่าด้วยตัวเล็กที่มองเห็นด้วยตาถ้าไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาแล้วไม่ไม่ไม่บรญญัติในข้อนี้นะเพราะว่ามองไม่เห็นด้วยตาแล้วมันก็เหลือวิสัย <c oughs> เอาแต่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตาเมื่อมองเห็นด้วยตาแล้วยังไปเหยียบให้มันตายอย่างนี้นะเป็นโทษอ่า <c oughs> แล้วใช้ผู้อื่นฆ่าโดยปริยายก็ไม่ได้ดังนั้นต้องต้องตั้งเจตนาวิรัตะเวินจริงจึงจะเป็นศีลได้ข้อสองอทินาทานท่านห้ามไม่ให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแหงขโมย ของอันใดที่เราเห็นเข้าจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามอยู่ในบริเวณที่อยู่ของตนก็ตามหรืออยู่ในนอกที่อยู่ของตนออกไปก็ตามถ้าหากว่าไม่ใช่ของตนแล้วจะไปหยิบช่วยเอาโดยเจตนาว่าเจ้าของเขาม่อยู่ละถึงเราหยิบสวยเอาเขาคงไม่เห็น อย่างนี้เรเอาไปเป็นของของตนเลยอย่างนี้ก็อก็ผิดศินข้อนี้นะแต่นั้นอก็ต้องสำรวมระวังต้องหาเจ้าของถ้าไปเห็นสิ่งของตกอยู่ในที่ไหนหรืออยู่ในที่ใดดๆ เ, เห็นว่ามันจะเสียหายก็ต้องถามหาเจ้าของหรือไม่เช่ก็เก็บไว้ให้เจ้าของเขา เก็บมาแล้วโฆษนาหาเจ้าของนั่นต้องเป็นอย่างนั้นไอสิ่งของต่างๆพวกนี้นะฉะนั้นอย่าไปให้มันเสียสินด้วยของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้ดีข้อที่สามพรหมจรรย์ทันห้ามไม่ให้ ประพฤติอสธรรมกรรมอันไม่ใช่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงว่าประพฤติแบบบุคคลผู้ครองเลือนมีผัวมีเมียนี่นะคำว่าอพรหมจรรยนนาน้เว้นจากเว้นจากความประพฤติไม่ใช่ผู้ ประพฤติพรหมจรรย์หมายเขาว่างนั้นเริ่มตั้งแต่ให้สิ่งของต่อมือซึ่งกันและกันในระหว่างเพศกลงกันข้ามเมื่อเราเขาเอาอะไรให้เราก็บอกให้เขาวางไว้ก่อนเมื่อเขาวางแล้วเราจึงหยิบเอาของนั้นอ เพศตรงกันข้ามคงจะเข้าใจมั้งหมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นเพศหญิงฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นเพศชายนั่นเราเรียกว่าเพศตรงกันข้ามห้ามรับของต่อมือกันอย่างงี้เมื่อเมื่อห้ามรับของต่อมือกันแล้วก็เรียกว่าห้ามจับต้องมาในห้ามสัมผัสซึ่งกันและกันอะไรพวกนี้นะไปเลยไป จนถึงเมถุนธรรมนู่นเว้นโดยประการทั้งปวงสินข้อนี้แล้วห้ามพูดมายาสาไถในระหว่างเทศกรงกันข้าม <c oughs> สินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จใ้พูดแต่คำจริง แต่คำจริงนี่ก็ต้องเลือกการเลือกเวลาอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วจะพูดได้ทุกเวลาทุกการเวลาไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดไม่ถูกกับเวลามันก็มีโทษได้เหมือนกันคือทำให้ผู้ที่เสียหายนั้นเกิดความเดือดร้อนขึ้นก็มีในเรื่องบางอย่างนั่ะเพราะฉะนั้น ถึงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงถ้าพิจารณาเห็นว่ามันจะกระทบกระเทือนผู้อื่นเข้าไปแล้วเราก็ต้องงดพูดไปเลยไม่ต้องพูดมันเราพูดเรื่องจริงเรื่องที่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้รู้ด้วยใจวินิจฉัยแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าหาว่าไม่ กระทบกระเทือนผู้อื่นให้เดือดร้อนพูดออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่นเช่นนี้ก็จึงค่อยพูดออกไปในความจริงนี่นะเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจรวมถึงพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกราวสามคีกันไปทั้งพูดคำหยาบํำด่าคำแช่งคำเปียบเปย ทำพูดเสียบแทงให้เจ็บอกเก็บใจโมนี้ก็รวมอยู่ในโมสาว่านี้ทั้งนั้นเลยตลอดถึงพูดเพ้อเจอ้อหมายถึงพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นพูดปรำเปลาไปคิดได้ยังไงก็ว่าเลื่อยเปยไปอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะห่อพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าไม่ดี เป็นความเศร้าหมองของผู้พูดเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคำพูดให้ดี <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลผู้รักษาทรัพย์สมบัติเงินทองของมีค่าถ้าผู้ใดมีเงินทองของมีค่ามากมายแล้วไปคุยอวดเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ละโจรมันได้ยินเข้ามันก็ หาทางจี้ปล้นเอาเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้วาจีสมบัตินี่ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่สงวนไม่ระมัดระวังพูดเลื่อยเปลยไปเดี๋ยวมันเป็นเรื่องโกหกไปหรือว่าพูดเลื่อยเปลยไปกระทบกระทั่งผู้อื่นผู้อื่นไม่พอใจก็ตอบโต้มาก็เลยเช่าหมอนวดกันทั้งสองฝ่าย เพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรส ถ, ถอยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซรั แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจกแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเนบให้เจ็บใจนี่นักปราชญ์ท่านแต่งเป็นคำกรอนไว้อย่างนี้ก็นับว่าน่าคิดนั่นแหละที่ท่านแต่งไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้ผู้ฟังได้เอาไปคิดไปตรองคำพูดนี่ถ้าพูดดีแล้ว พูดมีประโยชน์ก่อนที่จะพูดอะไรแล้วเนาะกลั่นกรองในใจก่อนเมื่อมองเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังก็จึงพูดออกมาอย่างนี้นะเมื่อพูดออกไปแล้วผู้อื่นฟังแล้วได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมารู้จักดีรู้จักชั่ววันนี้ก็มีคนนิยมนับถือแล้วบันนี้นะนั่นเลยเยอะผูนั้นพูดดีจริงนะ อั่างนี้ไปไหนก็มีคนยกย่องสนรเสริญแบบนี้นั่นแหละทีี <c oughs> ถ้าใครไปพูดชั่วลงไปอย่างนี้หมายถึงพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจพูดหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไปเมื่อเขารู้เข้าภายหลังว่าตนพูดหลอกเขาเขาก็แค้นใจ เขาก็ผูกอาคาตไว้อย่างนี้แหละเมื่อไป พ, พูดถ้าเขาเจ็บอกเจ็บใจเขาก็ผูกพยาบาทไว้เมื่อเขาได้โอกาสเขาก็ตอบโต้ไปตนเองก็พลอยเป็นทุกข์ไปนี่บางบางบางทีก็ถึงกับถูกฆ่าตายเพราะคำพูดก็มีอยู่ทมไปคนเราอยู่ดีๆนะ อันไม่ได้พูดจาอะไรกันแล้วจิไปเป็นศัตรูต่อกันและกันนี่ไม่มีในโลกนี้นะที่มันจะเป็นศัตรูกันได้เพราะมันพูดกันเมื่อใช้คำพูดไม่ดีไม่งามต่อกันเข้าไปแล้วมันก็เกิดความไม่พอใจซึ่งกันและกันเลยแบนี้ก็เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาไปก่อนทีแรกพอพูดกันด้วยวาจามากเข้าไปมันก็บรรดาลโทสะให้ แรงขึ้นเท่านั้นเมื่อยับยั้งไม่ได้นะวันนี้ก็ลงไม้ลงมือประหัดประหารกันแหละมีอะไรก็มีอาวุธอะไรก็จับมาประหัดประหารกันไปใครดีก็ใครอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องคําพูดนี่นะมันเป็นอาวุธอันสำคัญนะโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่าอาวุธใดในภีพไม่ลบป่า แม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศิลจะดีร้ายจะขายกินสิ้นจะไตรภพบจบเจรจาอ่านี่โบราณท่านกล่าวไว้นะท่านกล่าวไว้ว่าอาวุธใดทั้งหมดในพีพพอันนี้นะไม่สามารถที่จะมาลบปากนี้ได้หมายความว่าคำพูดนี่นะว่าเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยม ไอ้ก่อนที่จะใช้อาวุธต่างๆมีปืนมีจรวดเป็นต้นเหล่านั้นมันก็ใช้วาจาเนี่ยทิ่มแทงกันก่อนต่างฝ่ายต่างก็ยกโทษซึ่งกันและกันยุ่ว่กันให้กโกรธขึ้นมาเต็มที่ความกโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็คราวนี้ก็ลงใช้อาวุธภายนอกกันแหละวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่พูด เสียบแทงหัวใจซึ่งกันและกันมีแต่พูดดีต่อกันไปมีอะไรก็พูดกันให้รู้เรื่องะใครข้องใจเรื่องอะไรก็ระบายออกมาอย่างนี้ก็หาทางปณีปนอมกันไปอฝ่ายนั่นก็ผิดบ้างฝ่ายนี้ผิดบ้างก็เอาโหสิกรรมให้กันไปหรือว่าทําการค้าการขายหรือทํา กิจธุระอะไรต่อกันแล้วมันเสียหายไปบ้างอย่างนี้นะก็ไม่ต้องไปยกโทษใครต่อใครก็พูดกันให้รู้เรื่องซะแล้วก็ยกเลิกไปเลยเรื่องนั้นเสียก็เสียไปหาใหม่ตั้งต้นใหม่ไม่ต้องไปฟื้นเอามันมาถ้าฟื้นเอามาแล้วมันก็จะไม่จบลงได้เรื่องเหล่านั้นอย่างนี้นะ มันไม่มีทางแก้ไขที่จะให้ดีขึ้นเพราะมันเสียหายไปแล้วก็แล้วไปถ้าเราหันหน้าพูดกันไปมาอย่างนี้มันก็เห็นทางยืดหยุ่นต่อกันมันก็ตกลงยกเลิกให้อภัยต่อกันแล้วกันไปใครผิดบ้างถูกบ้างก็ให้อภัยกันไปเรื่องมันก็แล้วไปก็ไม่ได้ใช้อาวุธยุทธภัณ์อะไรลบลาข้าวฟันกันเลย นี่วาจาเนี่ถึงพูดดีจงว่าเป็นศรีรษะมันเนี่ยมีคนรักรถถ้อยอร่อยจิตในที่มันไม่เกิดรบราข่าฟันกันใหญ่โตมโหฬาร น, นี่ก็เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายได้หันหน้าเข้าไปพูดกันเจรจากันโดยทางที่ดีถูกมิตรไมตรีจิตต่อกันอมแม่พูดถึงครอบครัวโตวเรือนครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างนี้จะ อยู่กันโดยสันติภาพสันติสุขได้เพรพอมีเรื่องอะไรเราก็หันหน้าเขาพูดกันเจรจากันไม่ควรที่จะไปถือมั่นในความเห็นของตนฝ่ายเดียวจะให้ฝ่ายหนึ่งเห็นอย่างนั้นไปบ้างตนเองก็เสนอไปบ้างต่างถ้อยที่ถ่อยกขผ่อนผันหากันเข้าไปให้มันลงเอยกันให้ได้อย่างนี้แล้ว ในครอบครัวนั้นมันก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาดกันยืดเยืย้อต่อไปก็จะปองดองสามัคคีกันเรื่อยไปนี่แหละพูดถึงวาจาเนี่ยสําคัญมากทีเดียวรพยระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสัจจเวอมัตตาวาจาการกล่าววาจาเป็นสัตว์เป็นธรรมนี่ท่านว่าเป็นธรรมอันไม่ตาย ออืทั้งทั้งกล่าวว่าจะเป็นสัตว์ด้วยนะแล้วก็เป็นธรรมด้วยนี่เพราะว่ากล่าวว่าจะความจริงเงินบางอย่างเนี่ยมันมันไม่มีธรรมะมันไม่มันไม่เรียกว่ามันไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ความจริงอย่างนั้นนะ่ะออืถ้าถ้าว่าจะจริงอนใดมันพูดออกไปแล้วมันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนะ่ะนั่นแหละชื่อว่าเป็นสัตว์ด้วยเป็นธรรมด้วย เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ยให้พึ่งพากันสำเนี๊ยกให้ดีเรื่องการพูดการจานี่นแต่เราจะงดไม่พูดอะไรกับใครใเฉลยก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราอยู่กับคนไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเมื่อเราอยู่กับคนหมู่มากแล้วอย่างนี้มันก็ต้องฝึกหัดพูดจาปราใสให้มันดีงามเนะี่ย ให้ให้มันเรียว่าบคำพูดนั้นต้องให้ประกอบไปด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อืน่นแล้วกบประกอบไปด้วยความเฉลียวฉลาดในการพูดก่อนจะพูดอะไรก็ตรีตองให้มันละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนทีนี้อที่ทรงห้ามไว้ในข้อที่ห้า ห้ามไม่ให้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโมเนี้ก็ล้วนตั้งแต่ทรงห้ามในสิ่งที่มันเป็นโทษทั้งนั่นแหละพราะพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วด้วยพระปัญญาอันยิ่งว่าของมึนเมาของเสพติดทั้งหลายนั้นมีแต่ให้โทษคุณน้อยหนึ่งมันก็ไม่มีเลย เว้นเสียแต่ยาไอ้ของเสพผิดบางอย่างเช่นยาฟวินอย่างนี้ถ้าหากว่าเขาเอาไปเข้ากับยาให้ได้สัตว์ได้ส่วนกันอย่างนี้เออมันก็มีทางที่จะรักษาโรคให้หายได้บางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าหากว่าไปท่องเสพแต่มันล้นลวนนั่นนะมีแต่มันให้โทษอย่างเดียวเลยอ่ะคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีอ่าแต่อย่างนั้นก็เมื่อมันให้โทษแล้ว มันกหมายความว่ามันก่อทุกข์ให้แก่ผู้ทร้างเสรด้วยแล้วก็ก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นด้วยอเช่นอย่างดื่มเหล้าเมาแล้วเราไปขับรถยนต์รถไฟขับเรือบินอะไรหมด น, นี้นะอมันก็ผิดพลาดลงไปอะพาให้รถคว่ำตายกันเยอะแยะไอ้พวกที่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็ตายไปด้วยกัน อย่างนี้มีอยู่ถมไปเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันได้สำเนียกรู้ให้ดีโทษของของเสพติดให้โทษตั้งๆว่านี้นะมันไม่ใช่เป็นของดีของดีอะไรนะมีแต่ตัดทอนชีวิตให้สั้นลงไปโดยลำดับก่อให้เกิดโรคเกิดภยัยนา น, า, นาประการทีเดียวนะ mm. อา้าอันนี้เรียกว่าสินห้าอันนี้นะ อันนี้ก็เพิ่มอีกสามวิการรับโภทันห้ามไม่ให้บริโภคอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่อาหารนั้นมันก็เข้ากับของของกลับนั่นแหละของกลับัรราผ ล, ลไม้ต่างๆก็จัดเป็นอาหารหมดเว้นแต่มะขามพร้อมกับสมอ <c oughs> มะขามป้อมกับสมอนี่ทรงอนุญาตให้เอามารับประทานเป็นยาแก้ท้องผูกได้ฉันยาดองนี่ก็เนี่ยละดองมะขามป้อมดองสมอนี่แหละที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแนะนำไว้เพราะว่า ของเหล่านี้มันหาง่ายมันเรียก ว, ว่าเป็นนักบวชเนี่ยหาเอาของง่ายๆนั่นแหละมาใช้สอยบริโภคเราจะไปเอาของปณิตบรรจงอย่างคนที่เขามีฐานะดีคือเขาหาเงินหาทองร่มรวยนั่นมันไม่ได้ชีวิตของนักบวชเนี่ยแต่ว่าถ้าว่ามีผู้ศรัทธาถวายโยกยา อย่างนี้มันก็ต้องรับไม่ใช่ว่ามันจะไปถือมันแต่ยาขนาดเดียวเท่านั้นไม่ใช่หรอก <c oughs> อันอาหารเนี่ยทรงอนุญาตให้รับประทานตั้งแต่เช้าไปหาเที่ยงแต่ว่าสําหรับผู้มากน้อยสันโดษก็รับทานเพียงมือเดียวหรือว่าครั้งเดียว วันหนึ่งวันหนึ่ง เ, ออเท่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ไปไดออ้อย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้ถือธูปงอยู่ในป่านี่ฉันมือเดียวหนึ่งก็มีชีวิตเป็นอยู่มาได้ตามปกติไม่ไม่ผิดปกติอะไรคล้ายๆกับชาวบ้านนั้นเอง เ, ออเมื่อมันชินไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นประเดีข้อที่ เจ็ดนั่นน่ะถ้าไม่ท่านห้ามไม่ให้พอนรำขับร้องดีสีตีเป่าดูการเล่นอันเป็นค่าสืบแก่กุศล น, น, นั่นเ <c oughs> และประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆ่าอันบุนี ก็คงรู้กันแล้วนะไม่จำเป็นต้องอธิบายให้มากก็ได้ข้อที่แปดนั่นท่านห้ามไม่ให้นั่งนอนเหนือที่นั่ ง, ท, งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆเือว่าที่นอนที่นอนได้สองคนนะ่ะท่านห้ามสำหรับผู้รักษาศีลแปดขึ้นไปถึงศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ห้ามทั้งนั้นแหละ แล้วก็ห้ามใช้เตียงนอนที่มีเท่าสูงเกินกว่าสิบนิ้วของช่างไม้นับตั้งแต่แม่แค่ลงไปได้สิบนิ้วช่างไม้แล้วใช้ได้นอนได้ถ้าเลยนั่นไปแล้วท่านห้ามอะอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันสำรวมระวังรักษาให้บริรสุทธิ์สินแปดประการนี้สำหรับชาวบ้านนั่นผู้มีศรัทธาแรงกล้ามันก็สมควรที่จะรักษาสินอุโวสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอันนั้นเดียวเป็นสินอุโวสถสมทานเอาวันเดียวคืนเดียวสำหรับ ผูนุ่งขาวห่มขาวโกนผมโกนคิว้วอันนี้ก็สมทานศินแปดประการ น, นี้เป็นนิดไปเลยรักษาให้เป็นนิดไปอันนี้สงแห่งการรักษาศินแปดหรือสินโวสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีมากมายทีเดียวแหละเดียวว่าคู่ปฏิบัติในสินแปดหรือสินอุโบสถนี่ ก็เท่ากับ ว, ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละการประพฤติพรหมจรรย์นี่ถ้าพูดแปลทับตับก็แลยวว่าประพฤติอย่างพร้อมทำตนให้เป็นคนมีจิตใจเป็นกลางไม่หลงยินดียินร้ายไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมูนีิสํารวมจิตของตนให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่ง ให้สม่ำเสมอไปอเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าประพฤติอย่างพรม้มเพราะว่าพร้มนั้นย่อมมีจิตใจเป็นกลางอ ย, อย่างนี้ด้วยอ น, นิสงแห่งสมาธิแห่งฌานมันก็ระงับกราร ม, มัวาวิตกพยาบาทวิตกปีนซาวิตกต่กก า, งางๆไว้ได้อืมโอย่างั้นเพราะฉะนั้นให้พึงพากันทําใจของตนให้เป็นอย่างนี้สําหรับผู้รักษาสินอโวโสดก็ดีสุง สิ้นแปดเป็นนิดก็ดีนี่แสดงว่ามันต้องมีภาวนาประกอบด้วยถ้าไม่มีภาวนา <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ฝึกจิตนี้ให้ส ง, งบแล้ว <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสิ้นอโวโสดหรือสิ้นแปดนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี ดังนั้นก็จึงพากันภาวนาสำมรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้